ไม่สำคัญว่าคนอื่นพูดถึงคุณไว้แบบไหนแต่สำคัญว่าคุณเก็บคำพูดของคนอื่นไว้คิดถึงตัวเองอย่างไรโดนด่าทอไว้อย่างไรแค่ตั้งใจว่าจะไม่ด่าทออย่างนั้นกับคนอื่นเทีย่ยงเท่านี้กุศ ล, ลเจตนาก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นทันทีแล้วคำที่คุณเก็บมาคิด มักจะเป็นคําที่ทำให้คุณรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองเห็นภาพว่าตัวเองเป็นอย่างไรในสายตาคนอื่นยิ่งเก็บมาคิดมากเท่าไหร่แนวโน้มคือคุณยิ่งเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นหรือพยายามหาทางพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นคําที่ควรจดจําคือคําที่ทําให้คุณเห็นความจริงที่ควรเห็น เห็นแล้วรู้จักตัวเองมากขึ้นเห็นแล้วรู้ว่าจะทำอะไรดีๆขึ้นได้ท่าไหนเสียดายที่คําพูดเกี่ยวกับคุณนับร้อยมีอยู่น้อยหรือแทบไม่มีเลยที่ชี้ให้เห็นความจริงอันเป็นประโยชน์ประการใดได้เมื่อไม่มีคําจากคนอื่นที่เป็นประโยชน์อยู่ในหัวคุณจำเป็นต้องสร้างคําที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาเองเช่นสอนตัวเองว่า เขาด่าเราอย่างไรเราจะไม่ด่าคนอื่นอย่างนั้นเพราเห็นชัดกับตนเองแล้วว่าทำด่าเอามันบังคําทำให้คุณเสียเวลาเสียอารมณ์จมอยู่กับความรู้สึกย่ำแย่ได้ขนาดไหนไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องน่าพิศมัยคุณจะไม่ทำให้เหตุการณ์แย่ๆแบบเนี้ไปเกิดกับคนอื่นคนเราโดนมาอย่างไรก็ไปทํากับคนอื่นอย่างนั้น น้อยนักที่โดนมาอย่างไรแล้วคิดจะไม่ทำอย่างนั้นกับคนอื่นเด็ดขาดคนในโลกโดยมากจึงสื่อทอดเรื่องหน้าเศร้าหมองให้กระจายกว้างไม่รู้จบรู้ทั้งรู้ว่าผิดก็ไม่เป็นตัวของตัวเองพอจะทำให้ถูกขาดแรงบันดาลใจจะสร้างความเบิกบานให้คนอื่นเพื่อจะได้ความเบิกบานกลับมาเป็นของตนเอง คิดดีเมื่อไหร่ก็รู้สึกดีได้มอ น, นั้นไม่จำเป็นต้องรอคอยความคิดดีๆจากคนอื่นเลยคนที่ตั้งใจทำดีที่สุดเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องถูกนินทาว่าร้ายเลยความดีของเขาที่ทำมาทั้งหมดยอมให้ความรู้สึกเหมือนศูนย์เปล่าเพราะในที่สุดก็ต้องโดนอยู่ดีโทษฐานดีเกินมนุษย์ข้ามหน้าข้ามตาใครต่อใครไปหน่อย แม้พูดจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังถูกนินทาคนที่ไม่ถูกนินทาเลยคือคนที่ไม่เคยมาอยู่ในโลกนี้เท่านั้นนิยามของคำว่านินทาที่แท้จริงคือพูดเรื่องเสียหายของคนอื่นทั้งที่ไม่จำเป็นต้องพูดแม้ตั้งใจทำดีที่สุดเมื่อความพยายามสำฤทธิ์ผลแค่คุณปรากฏตัว บางทีก็ไปขวางทางใครบางคนโดยไม่รู้ตัวแล้วหรือแค่คุณได้ดีมีสุขบางทีก็ไปขัดลาบหลายคนโดยไม่เจตนาแล้วหรือแค่คุณประสบความสำเร็จบางทีก็ไปสะกิดแปอักเสบของคนล้มเหลวได้อย่างคิดไม่ถึงแล้วส่วนคนที่คิดตามใจตัวเองเห็นความต้องการของตนเป็นใหญ่อยากทำอะไรก็ทำ ใครจะว่ายังไงก็ช่างยอมพบในที่สุดว่าการทำตามอำเภอใจของเขาส่งผลร้ายกว่าที่คิดเพราะอารมณ์ดิบด้านย่อมไม่มีดีให้พูดถึงก็เมื่อก่อเรื่องเป็นที่ปากมากเขา้าพอเขาปรากฏตัวคนก็แอบสะกิดชวนกันมองด้วยสายตาขำขันแล้วหรือพอเขาได้ดีมีสุข คนก็แอบรวมหัวกันขุดคุ้ยเกี่ยวกับวันที่เคยทุกข์หนักแล้วหรือพอเขาประสบความสำเร็จคนก็ช่วยกันหาทางวิเคราะห์ว่าอาศัยกลโกงท่าไหนแล้วให้ดินอย่างไรก็ไม่มีใครหนีพ้นคำนินทาจะได้ยินซึ่งหน้าหรือบังเอิญรู้คำนินทารับหลังก็ตามเป็นความจริงนี้ได้ก็ทำใจได้ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนินทาคนอื่นไว้มากย่อมถูกนินทามากกว่าได้รับการสรรเสริญสรรเสริญคนอื่นไว้มากย่อมได้รับการสรรเสริญมากกว่านินทาบางคนอยากให้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพาว่าไม่อยากให้ตนเองเป็นตามนั้นเช่นตัวเองอดนินทาคนอื่นไม่ได้ แต่กลับอยากให้คนอื่นสรรเสริญตัวเองความอยากที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติชนิดนี้เป็นเหตุให้ต้องทุกข์หนักเพราะจิตใจวันไหวที่ระแวงและทนไม่ได้แม้รู้ตัวว่าถูกแต่แค่นิดเดียวเพียงหันหลังเดินจากวงนินทาที่เคยมีตนร่วมออกมาเพียงไม่กี่ก้าว